เมื่อแสงพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงก็เรียกว่ากลางคืนโลกเหล่านี้ถ้าไม่มีดวงพระอาทิตย์มาส่องโลกนี้ต้องมืดหมายถึงโลกพื้นแผ่นดินเราหมายถึงตัวเราทุกคนเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่ เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่หรือไม่เวลานั่งสมาธิใจของเราสงบะระงับอย่างหลับสมาธิหรือไม่ถ้าเราภาวนาอยู่รู้จักรู้แจ้ง ร, รู้จริงในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ชื่อว่าเราภาวนาอยู่ สมถะภาวนาเราภาวนาเต็มที่หรือยังวิปัสนาภาวนาเราภาวนาถึงขั้นทาให้แจ้งในวิปัสสนากรรมฐานหรือยังเหล่านี้ทั้งหมดเหละให้เป็นเครื่องเตือนใจของเราในเวลานี้ว่าวันคืนเดือนปี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 ดวงระอาทิตย์ก็ไม่หมดผืนแผ่นดินก็ไม่หมดท้องฟ้าฟ้าอากาศก็ไม่หมดแต่ชีวิตของคนเรามันหมดไปหมดไปตัวเราที่มานั่งภาวนาอยู่อันนี้มันยังเหลืออยู่แต่มันหมดไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แต่คิดใจเราก็ไม่รู้งันนั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทาอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปคนทั้งหลายทำอะไรอยู่ทำบุญหรือทำบาปทำบาปหรือทำบุญ วันคืนร่วงไปความจริงวันคืนมันไม่หมดก็ตั้งแต่ตั้งโลกมาวันคืนเดือนปีไม่มีหมดคีวเน็ตของคนเรามันหมดไปสิ้นไปพ่อแม่ปู่ย่าตาท่อเราท่านทั้งหลายก็หมดไปหมดไปเหมือนไฟป่าไม่ป่ามา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 ถ้าใจอยู่นอกกายนอกจิตตัวเองก็ไม่รู้อีกที่เราว่าเรารู้คนนั้นรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นเรื่องว่ารู้ตามสัญญารู้ตามตําลาตาลาว่าอย่างนั้นแผนที่ว่าอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนกระทั่งเกิดมาเรียนหนังสือจนจบท่านวิชาเรียนของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่านการศึกษานี้ท่านเจ้าคุณอุบลีคุณโอปมาจา์เจ้าอาวาสวัดบรมมณีวาดกรุงเทพท่านแสดงไว้ว่า การศึกษาท่านหมายทั้งการเรียนการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมในปริยัติธรรมก็เหมือนอนกันท่านว่าทั้งเรียนทางโลกและเรียนปริยัติธรรมก็มันเป็นเรียนทางโลกอย่างขึ้นจัน การศึกษาในทางคณะสองฆ์อยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเขาเยืนทางโลกนั่นแหละจัดเป็นชัน้นๆท่านสอนไว้ว่าดัชนะคุณดเบรีคุณโอปาจาจย์ชีวิตของคนเหล่านี้ท่านร้อยปีสมมติว่าคนที่มีอายุร้อยปีตาย ตั้งแต่เกิดมาไม่ต้องทำไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้นั่งเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดจนอายุร้อยปีก็ไม่จบถานว่าอย่างนั้นไม่ว่าเรียนทางโลกไม่ว่าเรียนทางธรรมมันต้องเรียนไปจนถึงวันตายร้อยปีตายเต่าไม่ต้องทำงานอะไรแล้ว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 ก็เอาให้จิตของตัวเองสงบละงับจนถึงขั้นละสกายทิฐิวิจิกิจฉาสีและพัตตะปละมาตได้จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอารหันตาการเรียนการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้น ไม่ต้องถึงร0อยปีก็เรียนจบทันวาคำว่าจบของท่านมันหมายถึงได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเรียนถึงปริยัตปฏิบัติปฏิเวทคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไปจบนั่นทันอายุไม่ถึงร้อยปกอีก็จบได้ พอถึงลอยจีตผู้ได้ภาวนาละกิเลดในจิตในใจของตัวได้แล้วอันนั้นมันจบอยู่ที่ของนี้พระพุทธเจ้าตรัตสอนัตตะคัโสตรสอนปัญจวคีรุษีทางแได้สำเร็จ เป็นพระอาหารหันตากินาศในบทสุดท้ายทรามกว่าวุชิตังคลมมาจริยังะตังกรณนิยังนาปลังอิทธตาญาติปยาณาจิติเรียกว่าคองอาจรัร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำหมดแล้ว กิจอื่นมันเป็นกิจโลกกิจทำกิจให้หลุดพ้นให้แจ้งพระนิพานที่ว่าพร้อมมาจันท์อยู่จบแล้วคือว่าท่านภาวนาเอาจนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดจากกิจใจของพระอริยเจ้ามันหมดมันสิ้นสุดเนี่ยบ่ต้องทำอีกอย่าทำก็แล้วว่า ทำการทำงานของโลกธรรมดายังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปแต่ว่าภายในจิตใจของพระเป็นมันจบละ่ะจิตที่ทำอยู่ในโลกเป็นเพียงกิริยาอาการท่านไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าจิตใจของผู้ที่เรียนหรือว่าป ร, ริยัติธรรมก็ตป ถ้ายังไม่ภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้จิตใจมันก็ว่าวุ่นไปหมดทำอะไรมันก็ฟุ้งซ่านลางพานไปเพราะอยู่กับกิเลสพาอยู่ไปกับกิเลสพาไปยึงกิเลสพายืนเดินนั่งนอนพูดจาปาศัยได้ดีมีสุขทุกข์ยากลาบากเขยนใจก็เพ้ากิเลสพาเป็นไป ร้อนร้อนด้วยลาคะกกินาร้อนด้วยไฟลาคะไฟลาคะาตันหานี่มันร้อนไม่มีจบไม่สิ้นทางใครเลิกไม่ได้ละไม่ได้แล้วก็ร้อนเนะี่เราวันคืนร่วงไปร่วงไปเราทำอะไรอยู่ เราละกิเลสได้หรื อ, อยังเราภาวนาใจสงบหรื อ, อยังเราคิดว่าจะไปบ้านไปเมืองไปโน่นไปนี่อันนั่นมันเป็นเรื่องกิเลสมันไม่จบหรอกจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเรานี่ไม่มีที่จบบนอยู่นะ ให้สงบประงับตั้งใจมั่นลงไปสถานที่เราเล่นสมาธิภาวนาอยู่นี่เป็นสถานที่สงบประงับที่สุดในโลกประวัติธรรมภาปลองที่เราอยู่นี่เรียกว่าสงสักที่สุดบีเวทที่สุด แล้วที่นี่มันเป็นที่เก่าแก่โบราณโลกชิดพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้ากูกุสันโธมาตารัสรู้ในโลกสาวกคุกาา่นก็มาภาวนาพระพุทธเจ้าโกนาธมนโนมาตารัสรู้ในโลก สาวกเพื่นกุมาภาวนาเราสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโซภะเจ้ากัสปะสาวกเพื่อนกุมาภาวนามาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าโคของเราทัานทั้งหลายนี้ก็สาวกเพื่นกุมาภาวนาภิกษุพิกษุณีอุบาจกอุบาจิกาตาผ้าขาวนางเคลือศี พรามณาีมันก็มาภาวนาสักทีนี้เราก็ต้องเลิกว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นอยู่กับว่าปฏิบัติภาวนาเดอนใจของเราว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเรา้องวัวทำอะไรอยู่วันหนึ่งก็มี 24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นเราภาวนาได้กี่ชั่วโมงได้กี่นาทีต้องดูดวูความกระพฤติการกระทำการนึกน้อมภายในจิตใจเรีย ว, ว่าภาวนาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านล้ำคาไปตามอำ น, นาจกิเลสตัณหา ธรรมดากิเลสกิเลสนั้นเล่เหลี่ยมมารยาสาไถคนธรรมดาสร้างมันเรียนไม่ได้ไม่ทำต้องภาวนาต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบเพียง <c oughs> คำพูดคำที่แจงแสดง้ไม่ขอ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 เมื่อภาวนาจนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมที่พระพุท ธ, ธิจ้าสอนไว้จะภาวนาบทใดขอด้อใดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นในทางนั้นสมัยขั้มพุทธการท่านภาวนาใกล้หนองปลาท่านเห็นนกยางกินปลาเอามาติดเิติทานาว่า นกยางจ้องกินปลาเบียดเบียนปลากินปลาอย่างไรท่านก็ี่าพิจนาดูใจของท่านว่าเอใจเราเนกอะคอยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เหมือนนกยางคอยกินปลาท่านก็สลดสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เบียดเบียนกันอยู่ทางโลกมนุษย์กับมนุษย์ก็เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่มันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดกาลจิตใจของท่านก็สลดสองเวทจนจิตใจสงบกะงับตั้งมั่นเกิดปัญญายานขึ้นมาได้ละกิเลสลาคะโทสะโมหะ องค์นั้นไม่ได้ภาวนาพุทโธภาวนาว่านกยางกินปลานกหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้หนอเกิดมาแล้วก็เบียดเบียนกันมนุษย์คนเราไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักกันคนชังกันคนหาข้อเล่ห์ทีจ่จะทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้ คนเกียรคนชังตรงนี้คนรักนั้นมีน้อยคนชังมีมากคนโบยานท่านเจงแต่แต่งเป็นคำสอนใจเลยว่าคนที่มีความรักนั้นมีเท่าผืนหนังวายเหมือนหนังวัวหนังควายหนังเอายมันมีจำกัด แต่ว่าคนชังนั้นมีเท่าพื้นเสือพื้นเสือืัวมันคนช่างมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนรักฉะนั้นเราอย่าไปหลงคนรักอย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนช่างคนคอยเบียดดีนมากแต่เขาไม่ได้บอกให้รู้ เพราะว่าบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบพอพอใจกันนั้นคนหนึ่งสองคนมัน ก, ก็รู้มาบอกว่าข่าวพระเจ้าเขาลบนับถือท่านแต่คนทางเขาไม่บอกนอนหลับจนฆ่ากันตายกลางถนนขอนทางเป็นศพไปแล้ว แก้ไม่ได้อันนี้เขาจึงแต่งคําสอนว่าคนรักมันมีเท่าผืนหนังคือว่าน้อยนิดเดียวนะคนฟังเท่าผืนเสือสาดคือว่าคนฟังมันเป็นได้เต็มโลกคนทางโลกมากแต่ไหนคนเกียรติฟงมันมากคนรักชอบพอพอใจกันมันมีน้อย คนข่างมากคือเป็นการเตือนใจของเราทุกคนนั่นเองเตือนใจว่าวันคืนมันหมดไปสินไปเราทำอะไรอยู่กำลังไปมัวเพลิดเพลิอนอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่ทำไมไม่ภาวนา ทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดสิ้นไปเวลาความแก่มาถึงเข้าเอาแหละสู้ไม่ไหวแล้วแล้วเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้ากิดมันก็ว่าวุ่นไปหมดเอาไม่ทันเอาไม่ได้ ยิ่งความตายจะมาถึงสมมุติว่าวันนี้จะเป็นวันตายของเราของคนใดคนหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเขาเราเอาทันไหมเราละกิเลสไว้ก่อนหรื อ, อยังละกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นหรื อ, อยังก็อตอบได้ตนเองว่ามันยังไม่หมดอยังไม่หมดเราไปทําอะไรอยู่ ก็วันคืนเดือนปีมันหมดไปหมดไปทีวทิของคนเรามันก็หมดไปสิ่นไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไหม้ใส้เทียนลงไปจนหมดจุดทูบลงไปจนหมดเราทำอะไรอยู่ไม่พินิจพิจารณาต้องเตือนใจของตัวเองนี่ว่าเป็นบทเตือนใจ วันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราภาวนาแล้วหรื อ, อยังเลาได้ที่ภาวนาดีแล้วยังทำปองเราวุ่นวายจะไปไหนอีกไปเที่ยวทุดงทุดตังว่ากันไปความจริงที่ไหนมันกดถ้าเราตั้งใจปฏิบัติภาวนามันก็เท่าๆกันนั่นแหละ ยองตังใจด้วยตนเองว่าอยาได้ประมาทคือภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกคือให้รู้ว่าทุกลมหายใจเข้าไปและทุกลมหายใจออกมามันมีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ลมหายใจมันหมด ชีวิตร่างกายของแต่และบุคคลมันหมดไปสิ้นไปเหมือนไฟไหม้ทุกเทียนชีวิตของคนเรามันไม่ไปหมดไปสิ้นไปจิตคนไม่ภาวานาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันไปอีกเหลี่ยมหนึ่งเพลิดเพลินไปตามกิเลสลาคะตันหาโทสัตโมหะวุ่นวายไปหมด กิเลสเหล่านี้มันพาให้มนุษย์คนเราหลงมาในโลกนี้นับไม่ได้นับไม่ท้วนแล้วพระพุทธเธ จ, จ้าจึงตรัสว่าการเกิดตายของพระองค์ก็าตามของสัตว์โลกคนทั้งหลายในโลกนี้ท่านใช่คำว่าอาเนกชาอาเนกชาติสังสาร สันาทาจิตสังอ น, นิจจิสังเพรว่ามันนับไม่ท่วแล้วการมาเกิดมาตายอย่างที่คนเราเป็นอยู่นี่แต่จิตนี้มันหลงไม่ภาวนาให้มันแจ้งในจิตในใจก็เลยโลเลหลงไหลไปกับโลกธรรมดาเขาเขาหลงยังไจิต เราที่ขาดสติสัมปชัญญะก็เลยหลงไปกับโลกเขาหลงมาจะเกิดจนเป็นหนุ่มเป็นสาวหลงไปแต่กลุ่มสาวจนถึงวัยแก่วัยชราหลงไปจนถึงวันใกล้จะตายตายแล้วก็หลงต่อไปอีกวนอยู่อย่างนี้ท่างจึงใช่ว่า อเนอเนกอันออันเ อ, อนเออนกถาตนับไม่ถ่วนการเกิดการตายจึงให้ตัวใจของตัวเองว่าไม่ให้หลงไปนำอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหมดนั่นแหละไปให้หลง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 สติความระลึกได้ความระลึกได้เอามาจากไหนกับจิตนั่นแหละใจของตัวเอง้ละลึกภาวนาขึ้นมาอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปควมที่เกิดขึ้นมาตัวเราที่เกิดขึ้นมา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 จิตละกิเลกลาคะโทสะโมหะได้ก็ไปสู่นิพพานจิตละไม่ได้ขอมาเวียนใต้เวียนเกิดบุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเธจ้ามาตรัสโลในโลกก่อนสองพันปีก่อนมนุษย์ทั้งหลาย ก็ยังไม่หมดไปจากโลกยังไม่หมดยิ่งสมัยนี้เขาเรียกว่ายิ่งมากกว่าสมัยก่อนด้วยมันเกิดมามันเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากจิตที่เต็นไปด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความดิ้นลนไม่สงบตั้ง ม, มันก็สร้างตัวของมันขึ้นมาแต่ละบุคคล แล้วก็มาทุกมาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้แหละจงทำความเพียรพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญา มีความรู้ความฉลาดความสามารถอา่านให้เกิดมีขึ้นในตัวคือภาวนาอย่าได้ทอถอยหรือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาสตินี้คือระลึกได้แต่สติความระลึกได้ว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ นั่งแล้วมันจะเป็นอะไรไป็ยืนยืนก็เดินเดินไปมานั่งก็กินก็นอนอยู่อย่างนี้แหละเราภาวนาละกีเลสภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่ซึ่งเหล่านี้แหละจะให้กระตุ้มเตือนใจของเราให้มีความมานะอดทนในการที่ทำความดีให้ได้ตลอดไป อ้นทำความชั่วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพอแล้วไม่ต้องทำอีกเพราะบาปความชั่วเรียกว่าทำแล้วมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อผลกรรมนั้นมาถึงเข้ามันเดือดร้อนมันทุกใจทุกกายทุกใจ ในนั้นการภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจา้าทรงสอนไว้เน่ยมันถูกต้องจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาลงไปในจิตใจของตนให้ได้จะให้คนอื่นผู้อื่นเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชัวว่วก็เรื่องของเขาเราจะไปแก้ไขบางอย่างมันแก้ไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทํา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 ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจนอะไรอะไรทั้งหมดนั้นท่านรวมลงไปคำว่าปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ถ้าเราภาวนาถูกต้องตามทรรนองของธรรมอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปปัญญาที่เราศึกษาเราภาวนาได้ดีแล้วมันมันแก้ไขในตัวมันมีเหตุมีปัจจัยแหนนั้นผลที่มันออกมามันมีเหตุมีปัจจัยคนทําบุญไว้บุญให้คนคนทําบาปไว้บาปให้คน จะมาแก้ปลายเหตุนะมันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ไหนที่ใจภาวนาพิจรารณาอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกทั้งโลกทั้งนามทั้งเราทั้งเขาอะไรต่อ น, นี้อะไรเหล่านี้ต้องเรียนรู้ศึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้พระองค์เรียนรู้ จึงมีคำหนึ่งท่านตัดไว้ว่าคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นโล ก, กวิีทูรู้แจ้งโลกไว้มันไม่ใช่เล็กน้อยรู้แจ้งโลกอะไรมันเป็นโลกเป็นกิเลสพระพุทธเจา้ารู้แล้วก็ไม่เฉพาะแต่รู้กิเลสผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศอาวากาศฝืนน้ําในน้ําในดินอนะไรนะท่านรู้มันล่ะ แต่ท่านเอาความรู้ที่เร ว, ว่ารู้ละกิเลสมาสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายก็นําเอาอุบายภาวนาละกิเลสไปทําความเพียนภาวนาละกิเลสจนได้สําเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาค า, ารหันตาหมดทิ้งไป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 นี่เป็นโอบายเตือนเราทั้งทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสไม่ใช่ให้ง่วงเอาจริงเอ า, นอน า, า, าจจงไ ป, ไปบ้านงุ่นวายไปหมดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายโยสกิธีคายุโกคะวัตอะพิวาธานาสีรุษสนิจังวุธาป จ, จายโนจตารโอธรร ม, มาวัฒนติอายุวันโนโสขงสาสังตวงนาฟังเทศ มาในท่อในป่าขัดนั่งสมาธิขัดสมาเพทุกทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายการนั่งขัดสมาเพนี้พระพุทธโลกบางอง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 ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็พอผักไทยว่าดูที่ไหนก็สวยสดงดงามจริงก้านใบสาขาพระองค์ก็ได้ความว่าเราจะต้องนั่งสมาธิภาวานาใต้ร่มเนียไม้ต้นนี้ให้ได้ตรัสรูเสียถีการบาเพ็ญ บารมีของพระองค์มาก็เป็นเวลายาวนานแล้วสีอษฐกขยแสนมาหากักแล้วก็มาถึงต้นไมโฟนี้แล้วพระองค์ก็ตั้งใจแน่วแน่วน่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆพระองค์นั่งผินหลังให้ต้นไม้คอ หินทางทางสัพักหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเมื่อนั่งแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิฐานใจลงไปว่าพระองค์จะนั่งสมาธิภาวนาให้เดชัสลูเป็นตักขุเิ้า ถ้าไม่ได้ตัดสโลเป็นปะพุภธธิเจ้าเราจะไม่ลบไปมาในที่ใดๆยานั่งภาวนาสู้แล้วว่าเอาตายที่นี้เอาตายสู้ <c oughs> จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆ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 เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายภาวนาบทได้พระองค์ก็ได้ความว่าอนาปานุสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนา พระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการเมสติระลึกไม่ให้จิตใจสังขารวิญญาณกิเลสต่างหลอกลวงให้ล่มหลงไปเอาลมหายใจเข้าเอาลมหายใจออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์ ลมเข้าพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็กำหนดว่านี่เป็นลมหายใจออกมาเจตใจของพระองค์ก็คือเจ็ดดวงที่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจนิมมัดจิตใจไม่ให้ไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมา รวมจิตรวมใจของกระองค์เข้ามาโซลมหายใจลงสุดลงที่จุดจิตผู้โลกในตัวของกระองค์ก็มีจิตใจดวงหนึ่งเหมือนใจพวกเราทั้งหลายแิละใจคนเราก็ดีใจพระพุทธเจ้าก็เสมือนกันแต่พระองค์บำเพ็ญโพธิญาณมา มากมายการทำบุญให้ทาอย่างเราท่านทั้งหลายเหล่านี้แหละพระองค์ทำมานับว่าเป็นอสงไขอสศงไขคําว่าอสงไขนั่นชินเวลานานคลายกันกวาตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินทีนึงนับเป็นกับกับกันกันไปถึงกันน้นพระองค์ก็ไม่ท้อถอย ในการทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดไหว้พระสวดมนต <c oughs> ์เจริญภาวนามาโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงที่ลมไม่โปนั้นพระองค์ไม่ถอยหลังแหละเส่นเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าไปออกมาจิตใจท่านก็รักษาไว้ไม่ให้ไปที่อื่น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 จนจิตใจของพระองค์สงบประงัตตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิคือว่าสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเรียกว่าอัปปนมาสมาธิเมื่อจิตของพระองค์เป็นดวงหนึ่งดงเดียวแล้วพระองค์ก็กำหนดโรคหมายถึงตัวนามหมายถึงจิต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 เมื่อร่างกายสังขารของพระองค์ซ้อมโดยจิตใจไม่เที่ยงคนอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครจะมาเที่ยงแท้แน่นอนยังย่งยืนอยู่ได้ในโลกเหล่านี้นามารปังนามและโลกนี้แหละเป็นทุกข์คนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเม่แต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้น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 จนไม่มาหลงว่าตัวเราของเราพระองค์ปล่อยวางออกไปได้จริงๆแล้วว่าตับกิเลสความโกรธความขับเครื่องในหัวใจไม่ให้มีความโลดคือความอยากในใจไม่ให้มีความหลง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 พระองค์ดับจิตที่หลงนั่นออกไปไล่กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์หมดสิ้นในเคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นาศาสตราจารย์ในโลกละกิเลสพร้อมทังวาสนา จะสิ้นไปในคืนวันนั้นและวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกแผ่นที่เราทำบุญวิสาขาบูชากันนั่นเองเดือนหกแห่งนี้จึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประโตดที่สวนลงที่มีประเทศอินเดียนั้น ก็เป็นวันเดือนหกเทนตอนที่ได้ปรัสสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้านี้สกพอดเป็นเดือนหกเทนอีกเมื่อพระองค์ตรัสสรู้แล้วยโยในโลกนี้อายุของพระองค์แปดสิบปีบริบูรณ์ ก็ดับขันเข้าโซนลึกระานที่ตรงกับบินหลับที่ตรงในประเทศอินเดียกุชินาลาัยก็เป็นเดือนหกเพ็นอีกนี่แหละที่สิ้นสุดลงไปนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายพรอที่สด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 ยังมีศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนได้กระพุติตามปฏิบัติตามโล่จากการทำบุญให้ทานโล่จากรักษาสินห้าสินแปดโล่จากไหว้พระสวดมนต์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 ได้ตรัสพระธรรมเทศนาไว้ได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันอันเราท่านทั้งหลายจดจำไว้ว่าธรรมในพุทธศาสนามีอยู่มาตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วจนบัดนี้ก็มีพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าจะได้รับผลจริงๆเราทุกคน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 นั่งสมาธิภาวนาโดยเฉพาะคือว่านั่งขัดสมาธินี้ก็ให้พยายามฝึกไปนานไปก็จะคล่องแคล่วเพราะว่าสแสดงความองอาจกล้าหารของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สแสดงออกซึ่งความกล้าหารแล้วก็ เอาจนได้ไทยชนะละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดขึ้นไปเรียกว่าแจ้งพระนิพพานถึงพระนิพพานอยู่ในเมืองนิพพานตั้งแต่ปรับสลูที่ต้นไม่พอคิดใจของพระองค์ไม่ ก, กักกรอกรลอกลวงอีกแล้ว เพราะว่าทีเลสความโกรธมันดับไปแล้วทีเลสความโลภมันดับไปแล้วทีเลสความหลงมันดับไปแล้วมันตายไปแล้วจิตใจของพระพุทธเจ้าทั้งเราก็เย็นสบายตั้งแต่นั้นมาตลอดจนอายุสังขารได้แตบทิสูจจิตใจของธอองค์ก็สมายที่สุด เรียก ว, ว่าดับขันไขโซนนิกานถึงนิทานลูกแจ้งแฟ น, น, นิกานพระนปทานนั้นไม่ใช่มันโยท้องฟ้าอากาศใต้ดินใต้น้ำที่ไหนก็ไม่มีก็มีอยู่ในใจมนุษย์คนเราทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามานุษย์คนเราสมัยนี้ เรายัางไม่ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในขั้งพุทธการโน้นท่านทำบุญให้ท่านแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นรักษาศีลรักษาศีลห้าศีลแปดได้แล้วก็ไม่หยุดอย่แค่นั้นท่านเหล่านั้นยังจเจริญภาวนา ในสมัยครั้งพุท ธ, ธาการโน้นไม่เลือกว่ายาโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านภาวนาท้งนั้นภาวนาจนวายาโยมก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์ตาตัวอย่างมีคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้า พระเจ้าทุดโธธนะพระองค์ก็ไม่ได้ไปบวชเหมือนพระพุทธเจา้าโยเท่งรงกระบินละบัดโยหหอปราสาบราสมนเทียนปกครองบ้านเมืองแต่พระองค์ไม่ท้อถอยทาบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแปดไหว้พระสวดมนนั่งกรรมาฐานภาวนาทุกคืนทุกคืน เมื่อแกชลามาพระพุทธเจ้าเราก็สเสด็จไปโปรดได้สำเร็จเป็นพระอระหันตาชินาศจบธรรมจันท์ดับขันเข้าโ่นดู่าไม่ต้องมาเวียน่ายตายเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนกับดินฟ้าอากาศอย่างพวกเราทั้งหลายนี้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 ว่าร่างกายของเรามีอาการ32ไม่วิสลดเจ็บใจก็ดีเลื่อนใสในคุณศรพุทธธรรมประงสงค์แสดงว่าบุญบารมีเก่าเราก็ทำมาพอสมควรเมื่อมาปัจจุบันชาตินี้เราไม่ท้อถอยเราทำเพิ่มเติมไปอีกภาวนาทุกคืนทุกคืน ทำใจให้สงบพิจารณาดูรูกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตว่าตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีที่ไหนที่จะยั่งยืนถาวรมั่นคงอยู่ได้ไปเลยมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ชร า, าชำรุดทรุดโทมในเวลาแก่ชร า, าชำรุดทรุดโทรมอยู่นี่ ก็มีพยาธโลคาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพักๆเป็นคราวๆอยู่เสมอยอดแสดงถึงว th ่าเทวทูตทูตเทวดาเทวทูตเทวธรรมบอกเตือนเราอยู่ว่าชีเวิตของคนเรานั้นจะมารักษาให้เป็นอยู่อย like, ่างเดียวนี้ตลอดไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แตกไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ เราเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของร่างกายสังขารมนุษย์คนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีไข้และมีตายแต่ก่อนจะถึงซึ่งวันตายเราจะต้องปฏิบัติภาวนาทำจิตทำใจของเราให้ขาวสะอาด ไม่มีความกรอดความขัดเคืองในใจไม่มีความโลภความอยากได้ในใจเกินไปไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาในที่ทั้งตวงเอาใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ จนกระทั่งว่าไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปนามกายใจของเราของเขาเต็มยโยในโลกนี่แหละเจตใจของเราก็จะมีกำลังความสา ม, มารถอาหารที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบ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 สัพพิติโยวิวัันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเภตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริศเนจังุทธาปิจาดิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนโศขังตาลัง